สองอยบาุปาลิสังฆะสามัคคีปุจฉาว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆะสามคัคคีเรื่องทรงแสดงสังฆะสามัคคีสองอย่างแก่พระอุบาลี476ครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างต่างกันมีเพราะเรื่องใดสง์ยังไม่ได้วินิจฉยัยยังไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังคาสามาขี สังฆสามัคคีนั้นชอบธรมหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสง์ให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสง์ยังไม่ได้วินิจฉัย ยังไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังค้าสามาขีสังค้าสามาขีนั้นไม่ชอบด้วยธรรมท่านพระบาลีกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าก็ความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกัน ย่อมมีพระเรื่องใดสงได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทมสังคสมาขีสังคสมาขีนั้นชอบด้วยธรรมหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสง การทาสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทาสังคสามคาขี่สังคสามคาขี่นั้นชอบด้วยธรรม